ขอกราบนมัส ก, การพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านสาธุชนที่เคารพทุกท่านการอบรมการปฏิบัติวิปาาัสนากรรมฐานระยะสั้นสิบสองวันนี้วันนี้ก็เป็นวันที่สามเราได้กล่าวถึงเรื่องของพระพุทธศาสนาในความหมายของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงแล้วก็คือ คือปัญญาโดยทำแล้วก็คือปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้อริยสัจจะทำตามความเป็นจริงคือรู้ทุกข์รู้สมุทยัยรู้นิโรธรู้มรรครู้ธรรมนี้คือทุกข์ถ้ากล่าวตามในพระสูตรก็บอกว่าความเกิดความแก่ความตาย ความเศร้าโศกเสียใจความขร่ำขวรลาไห้ความทุกข์กายทุกข์ใจความขับแค้นใจประสบกับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์รักท่าจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้ดังปรารถนานี่ก็เป็นทุกข์โดยย่อแล้วรูปนามขันห้าของเราเนี่เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ตั้งแต่เกิดจนตายนะหาเวลาที่เป็นสุขไม่ได้ ทันทีให้เห็นความจริงอย่างนี้แล้วก็ในจิตของอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการท่านก็บอกไปว่าหน้าที่ของพุทธบริษัทนี่มีจิตอันพึงกระทาต่ออริยสัจธรรมทั้งสี่ประการนั้นอย่างไรบอกว่าทุกนั้นเป็นธรรมที่ควรกาหนดรู้เรามีหน้าที่จะต้องรู้ทุก แต่ก็พึงเข้าใจว่าไม่ใช่รู้ทุกขเวทนานะทุกในที่นี้ท่านหมายถึงทุกขสภาวะหรือทุกขสัจจะถึงทุกขสัจจะก็คือรูประขันนามะขันนั่นเองให้เลยกำหนดรู้ทุกไม่ใช่ว่าให้รู้เฉพาะทุกขเวทนายิงอยู่ทุกขเวทนาเนี่ยก็เป็นอารมณ์ให้สติปัญญาเกิดได้เมื่อเราตามพิจารณาถึงเวทนาในเวทนานุปัสนาสติปทานส่วน แต่รู้ทุกข์นี่รวมทั้งทั้งรูปทั้งนามในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานกายก็เป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์นั่นเองทั้งกายทั้งใจเน่ยเราเป็นทุกข์เราต้องแก้ทุกข์กันอยู่วันยังคำ่ำแต่บางคนก็ไม่ใช่แก้แเฉพาะตัวเองเนี่ยแก้ทั้งครอบครัวเลยแม่บ้านนี้ต้องแก่มาก แก่ทั้งพ่อบ้านแก่ทั้งลูกบ้านหมดที่แก่ทุกข์ให้เขาเนะนี่ยนี่เราต้งแก่ทุกข์เฉพาะตัวเองนี่ก็เป็นเรื่องที่ท่านที่เห็นเห็ น, เ ห, นเห็นทุกข์อย่างนี้พูดถึงตรงนี้ก็เล่าให้ฟังนิดหนึ่งมีท่านสุภาพสตรีท่านหนึ่งท่านก็มีอายุพอสมควรแล้วประมาณห้าสิบมาอบรมเนี่ยญาติมาตาม ว่าพอบ้านพาแม่บ้านใหม่เข้าบ้านแกดีใจเอออนุโมทนาสาธุเธอฉันจะได้มีอิสระในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะเขามาแล้วเลือ้อบอกเอามาแล้วเออดีแล้วแต่ฉันยังไม่ไปขอบใจเขาตอนนี้หรอออกจากกรรมฐานด้วฉันจะไปขอบใจเขาเห็นไหมฮะเขาวางใจอย่างไร ถ้าเห็นคนอื่นเนี่ยมาแบ่งเบารับภาระทุกข์จากเข้าไปฉันไม่ต้องวุ่นวายฉันจะได้ไม่ต้องวุ่นวายมีเวลาที่จะประททพฤติทมปฏิบัติทำต่อไปแต่บางคนตั้งสติอยู่ไหมไม่อยู่เราต้องกลับกันไปเดี๋ยวนี้นะต้องไปเช่งปีกันหน่อยแล้วนะี่นี่เพราะว่าเขาวางใจดีเขาวางใจดีแล้วไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจ ในสิ่งต่างๆทั้งหลายอันนี้แหละก็แสดงว่าเขาได้ผลจากการศึกษาและการปฏิบัติธรรมของครับเขาพิจารณาตามเหตุผลที่ถูกต้องแล้วละ่ะว่าชีวิตเราเนี่ยเป็นทุกข์เราไม่ใช่เป็นทุกข์เฉพาะ ต, ตัวเองเป็นทุกข์เฉพาะทั้งครอบครัวนี่แหละต้องแก้ทุกข์ให้เขเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนมาช่วยแบ่งเบาช่วยแก้ทุกข์ไปเขาจะได้เบาแรงจะได้ประพฤติทธทรรมปฏิบัติธรรมได้โดยตรงนะ เขาจะเอาอย่างก็ได้นะฮะใครจะเอาอย่างนั้นก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชีวิตของเราทั้งชีวิตนี่เป็นทุกข์ไปแต่ก็พึงทราบสักนิดหนึงว่าไอ้คําว่าทุกข์คาว่าทุกข์เนี่ยมีหลายอย่างหลายประการด้วยกันนมีหลายอย่างหลายประการด้วยกันทุกข์ที่ตามแนวทางของการปฏิบัติเนี่ยโดยสรุปแล้วก็มีอยู่สี่หรือห้าประการด้วยกันเราจะเขียนให้เองทราบที ต้องประสบโดยลําดับทุกลําดับแรกที่เราต้องประสบคือทุกขเวทนานั่งนานก็เมื่อยเป็นทุกนอนนานก็เมื่อยเป็นทุกยืนนานก็เมื่อยเดินนานก็เมื่อยเป็นทุกนี่ทุกขเวทนาทุกขเวทนาเมื่อทุกขเวทนาเกิดแล้วเนี่ยเราทําไมต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อแก้ทุกข อาการที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนียาบทเป็นอิิยาบทย่อยเพื่อแก้ทุกจากอิิยาบทใหญ่อาการที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแก้ไขอิิยาบทนั่นแหละเป็นตัวสังขาระทุกขหรืออีกในหนึ่งว่าตัวสภาวะทุกเพราะมีรูปมีนามอยู่บีบคั้นเราอยู่ตลอดเวลาเราจึงต้องแก้ทุกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในายากของสังขาระทุคือทุกที่ต้องเปลี่ยนแปลง กับสภาวะทุกเนี่ยอันเดียวกันแต่ว่าท่านที่รายละเอียดแยกย่อยออกไปให้เห็นว่าสังขารทุกนั่นอ่ะก็คือทุกจากอิรยาบทย่อยที่เราต้องเปลี่ยนแปลงอิรยาบทยาดทุกจากอิรยาบทยอดเพราะนั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยเห็นก่อนเพื่อนก็คือทุกขเวทนาเห็นทุกขเวทนาก่อน เห็นทุกขเวทนาก่อนแล้วตามรู้ตามแก้ทุกไปก็เห็นการแก้ทุกนั่นแหละเป็นสังขารทุกหรือเป็นสภาวะทุกที่เราจะต้องแก้ไขเสร็จแล้วก็เห็นทั้งรูปทั้งนามเป็นทุกขทนอยู่ไม่ได้ด้วยกันรูปก็เป็นทุกนามก็เป็นทุกในจิตใจก็สลดก็เกิดความสลดเกิดความสังเวชขึ้น เขมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาลักษณะของรูปกดีของนามกดีเขามีลักษณะอย่างนี้ทนอยู่ไม่ได้มีขึ้นเพื่อดับมีขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงเพื่อดับตั้งอยู่ไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้ในทุกขลักษณะนี้ก็วิปัสสนาปัญญาเกิดวิปัสสนาปัญญาเกิดทุกขเวทนานี้ยังไม่เกิดสังขารทุกข์หรือสภาวะทุกขนะวิปัสสนายังไม่เกิด แต่พอทุกขลักษณะเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาตาัตตาไตรลักษณ์ก็จะเกิดขึ้นในทุกขลักษณะแล้วก็ตามรู้ทุกขลักษณะต่อไปตามรู้ไตรลักษณ์ต่อไปทุกขลักษณะนี้อยู่ในไตรลักษณ์เราดูเท่าไหร่ก็ไม่มีทางอื่นยอมรับความจริงว่ามีรูปกระขันมีนามกระขันนี่ เขาก็ต้องมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอย่างนี้เพราะนั้นความรู้ทั้งทุกขเวทนาสังขารทุกทุกสภาวะทุกลักษณะทั้งหมดนี้รวมลงในทุกขสัจจะทุกขสัจจะเพราะนั้นเวลาที่เราปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานดูเวท น, า น, า, นานุปัสนาสติปัฏฐานเขาก็เวทนาก็เป็นอารมณ์ให้กําหนดรู้ทุกนั่นเอง เป็นตัวทุกข์ที่จะกาหนดให้รู้ได้เวทนาเขาไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นทุกข์สุขเวทนาก็าไม่ตั้งอยู่ในสุขหรอกเดี๋ยวก็ทุกขเวทนาทุกขเวทนาก็าต้งหมดไปเมื่อความบีบคั้นหมดไปได้แก้ไขเพื่อแก่ทุกขแล้วก็หมดไปแม่อุเบกขาเวทนาที่อยู่เฉยๆไม่ทุกข์ไม่ทุกข์นั่นประเดี๋ยวก็ทุกข์เกิดขึ้นอีกเขาเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไปนี่เวทนาก็าเป็น ทุกสภาวะเหมือนกันเป็นมีสภาวะเป็นทุกข์หรือเป็นสังขารและทุกข์เหมือนกันเพราะฉะนั้นในทุกขสัจจ์เนี่ยที่พระพุทธองค์ให้ดูทุกข์เนี่ยให้รู้ทุกข์หมายถึงว่าให้รู้รู ป, ป ร, รูปธรรมนามธรรมาของเราเนี่ยให้ดูที่รูปที่นามเนี่ยให้กําหนดรูปทุกขสัจจ์ก็คือให้รูปที่นามแล้วให้ดูที่มีอยู่นะไม่ให้ดูที่หมดไปนะ ที่หมดไปที่บอกว่าเวลาเราขยับนิดดับไปแล้วไม่ต้องดูความดับไม่ต้องดูอาจารย์หลายท่านสอนให้ดับดูดับด้วยดูดับอย่างไรผมยกตัวอย่างนักศึกษาเราเนี่ยพระที่ท่านอยู่ที่อ้อมน้อยท่านมาอบรมวิปัสสนาท่านดูรูปรปิริยาท่านบอกว่าพอสติสมัมปชัญญะดูรูปทีนึงมันก็หมดไปที ห, หมด ดูรูปทีมันก็หมดไปทีดูรูปทีมันก็หมดไปทีแล้วถามท่านหลวดูยังไงอาจารย์เขาสอนให้ดูจากข้างบนลงไปข้างล่างข้างล่างขึ้นมาข้างบนข้างบนลงไปข้างล่างดูทีมันก็หมดไปทีดูทีมันก็ดับไปทีดูทีก็ดับไปทีถูกไหมถูกหรือไม่ถูกนะถูกไหมอ่าอ่า อ, อ, อะไรหมดถามนิดอะไรหมดอเอเอเข้เ า, เาใจผิดเข้าใจเข้าใจผิดเพราะไปรับคําสอนจากอาจารย์ผิดมา<อ>รูปนั่งยังอยู่แต่ไอตัวดูตัวดูมันหมดไม่ได้ทุกไม่ได้ทุกลูกนั่งยังอยู่นะแต่ไอตัวดูเนี่ยมัหนหมดแล้วต้องดูใ ห, หม่เออตัวรู้หมดอ่อาอ่า ได้ตัวตัวรูปมันเป็นรูปหรือเปล่าอ่าผิดไหมมาผิดอ่าตัวรูปหมดไปอ่าตัวรูปมันหมดไปไอ้ตัวรูปยังอยู่นะแต่ไอ้ตู้ลมหมดอ่าหมดตัวรูปหมดนี่แหละแล้วสอนอย่างนี้ถูกรึผิดล่ะอการเยียกายานุปัสสีวิหารแล้วผิอ่าอ่าไอ้ตู้รูปมันหมดแต่เราไม่ได้ดูตัวรูปเราต้องดูตัวรูปอ่าอ่าตัวรูปยังอยู่ คนนั้นที่ข้สอนเนี่ยข้สอนผิดแล้วก็ตัดสินได้วปะทำไมจะต้องดูรูปที่มีอยู่ท่านสอนไวยีริยาบทพปะเนี่ยบอกว่าเมื่อเธอตั้งกายไว้ในอาการอย่างไรก็ให้รู้ความเป็นไปของรูปกายที่ตั้งอยู่ในอาการอย่างนั้นอย่างนั้นท่านให้รู้ดับหรือให้ดูมีให้ดูรูปมีอยู่หรือให้ดูดับดูมีอยู่ การ น, นี้ถ้าเราไปดูดับเนี่ยมันคิดออกจินตนาการคิดออท่านให้ดูดูมีอยู่มีอยู่แล้วก็จึงเห็นทุกขเวทนาดูดูรูปที่มีอยู่เนี่ยเดี๋ยวไอ้รูปนั้นก็บีบพันธ์บทบีบพันธ์ทุกทีทุกทีก็เห็นได้รูปนั่งนี่เป็นทุกข์แล้วรูปนั่งเป็นทุกข์แล้วมีอยู่รูปนั่งมันมีอยู่แล้วคราวนี้ทําไมล่ะเราต้องเปลี่ยนยาบทเพื่อแก้ทุกข์เราไม่ต้องไปดูความหมด ต้องดูอาการที่เปลี่ยนียาบทไปเพื่อแก้ทุกเนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยมันเคลื่อนไหวนี่นหละอาการที่แก้ทุกเนี่ยมันก็เป็นทุกข <c oughs> อาการที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นทุกเนี่ยถ้าปัญญาเราดีหน่อยเราก็เห็นเร็วโอไอ้นี่ไอ้นี่ก็เป็นสังขารละทุกนี่ต้องแก้ทุกิียาบทใหญ่ถ้าเราไปดูหมดไปแล้วจะรู้สังขารละทุกไหมยไอ้รูปกล่กกาวมันหมดไปแล้วหมไปดูว่างหมดไปแล้วดับไปแล้วไม่รู้นี่เรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้า ไม่โทษผู้ไม่โทษผู้ปฏิบัติผู้เรียนต้องโทษใครละ่ะต้องโทษอาจารย์ผู้สอนบอกกขผิดบอกขผิดลูกศิษย์ก็ตามผิดไปลูกศิษย์ก็ตามผิดไปนี่เพราะว่าไม่เข้าใจที่ท่านบอกยาถายะถาวาพนัสกาโย ο, พนิโตโหติตถาตฐานา ม, มัพประานานติเมื่อเธอตั้งกายไว้ในอาการอย่างไรอย่างไร ก็ให้รู้ความเป็นไปของรูปกายที่ตั้งอยู่ในอาการอย่างนั้นอย่างนั้นต้องตามรู้อาการของรูปนะไอที่มันหมดไปไม่ต้องรู้รู้อาการของรูปแต่แล้วทำไมจ้หมดไปล่ะโอ๊ยท่านบอกว่าอีกไกลเนี่ยบอกว่าอีกไกลพอเราดูรูปอิริยาบถแล้วเนี่ยดูรูปพิจารากายในกายดูรูปนั่งรูปนอนรูปยืนรูปเดินแล้วนี่กายอิริยาบถปภ ะ, ะนี่สี่ แล้วมีอิริยาบทย่อยอีกไม่ใช่อิรยาบทใหญ่ที่เป็นอิรยาบทย่อยที่จะต้องเปลี่ยนแปลงยาบทใหญ่มีอีกเจ็ดเจ็ดต่อพระก้าวไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังเหลียวข้างซ้ายแหลงข้างขวามองไปข้างหน้าจะเคี้ยวจับจะจับบาตจับทีวอนจะกินจะเคี้ยวจะดื่มจะทายอุจลาปัสสวะเนี่ยไอการที่เคลื่อนไหวอิรยาบทย่อย ถ้ารวมไปเจ็ดบทด้วยกันเราเรียกว่ากายมรรนกนายญานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่แล้วก็พิจารณากายในกายหนึ่งหนึ่งคนี้พิจารณากายในกายเนี่ยอันแรกพิจารณารูปเดินก็เป็นกายรูปยืนก็เป็นกายรูปนั่งก็เป็นกายรูปนอนเป็นกายพิจารณากายในกายหนึ่งหนึดูรูปเดินรูปยืนรูปนั่งรูปนอนดูหนึ่งหนึ่งจากนั้นท่านแสดงว่า อิติอัชชัตตังวากายเยกายานุปัสสีวหิหรติพิจารณากายอันเป็นไปภายในกายอันเป็นไปภายในคือในอิริยาบถสีอย่างในรูปเดินรูปยืนรูปนั่งรูปนอนพระหิตทาวากายเยกายานุปัสสีวหิหรติพิจารณารูปเนี่ยกายเนี่ยเห็นกาย ในกายทั้งเห็นกายในกายภายในเห็นกายในกายทั้งภายนอกเห็นกายภายนอกนอกอะไรนอกจากอิรยาบถใหญ่สี่อ่าแล้วไปรู้กายที่ไหนไปรู้อิริยาบถ ย, ย่อยโอมเงยเหยียดคู่เดี๋ยวใายแล้วกว่าแต่ในสัมโมหวินโนธนีเขาแปลออกมาพูดแปลอัชชัตตังวาหมายว่าเห็นกายตนพระหิตทาวาเห็นกายคนอื่น ก็บอกโดยกรรมฐานสัญจรคล่องแคล่วกายเราเป็นยังไงคนอื่นก็าท้อเป็นยังไงอาจารย์แนบก็คอานสัมโมหวินโนทันีที่คณะที่เขาทำแปลอัตตราฐาในพระไตรปิฎกเนี่ยคณะอาจารย์ปริตคณะขคายเจ้าข่รที่เบตมหาป ร, ริญียก้าหลายปีท่านบอกอัชชัตตังวาใ้กายในกายของตนเองเนี่ยไม่วาเลยพระหิทาวาน่ไปเอากายของคนอื่น ไอ้อชัด ต, ตังวากายของตนเองเนี่ยเราก็กำหนดอารมณ์เพื่อจะละความเป็นตัวตนคนสัตว์เราเขาออกไปทำไปทาไปกลอบไปเอากายของตนกายของคนอื่นมาเปรียบเทียบกันยางไงแล้วการปฏิบัติเนี่ยหลีกจากหมู่คณะไปนะเรากรรมฐานอยู่คนเดียวอยู่ป่าอยู่ปนไม้อยู่เรือนว่างเนี่ยไม่มีคนอื่นตามไปด้วยแล้วเราจะไปเอาตัวเราเองเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบกันยังไงถ้าเปรียบเทียบกันก็ จินตนาการนึกเอาไม่ใช่เป็นการกำหนดสภาวะโดยตรงเพราะนั้นอัจชัตตังวากายเยกายานุปัสสิวิหารติพิจารณากายในกายของตนเองกายในกายในปัภาะที่ตนปฏิบัติอยู่รูปเดินรูปยืนรูปนั่งรูปนอนอย่าให้คลาดเคลื่อนไปตามรู้อยู่เสมอไปเวลาเดินก็มีรูปเดินก็ดูรูปเดินไปรูปยืนก็ดูรูปยืนรูปนั่งก็ดูรูปนั่งรูปนอนก็ดูนอน เรียกวกายเยกายญาณุปสีวิหารปิอัชชตังวาก็ดูในประเภทของอิริยาบทสีพระหิทธาวาแม่รูปในปรภะอื่นที่เราปฏิบัติแล้วเนี่ยสติสัมปชัญญะเขาคร่องแคล่วแล้วก็รู้ในรูปในปรภะอื่นก็โดยที่รู้ใกล้ชิดิออยาบทใหญ่ก็อิริยาบทย่อยดิยาบทยอดแม่รูป จะกินรูปจะเคี้ยวจะกลืนจะดื่มอะไรต่างๆนี่นี่ก็เป็นกายเหมือนกันทางภายในภายนอกก็รู้ทั้งภายในภายนอกพอรู้ทั้งภายในภายนอกแล้วก็ท่านบอกเออสมุท <saç mal Laughs> ัยาธรมมาสมุทยยาธรรมาวิปัสสีสมุทัยาธรรมากายานุปัสสีวิหาราติวิญาธรรมาอนุปัสสีวิหาราติสมุทัยาธวิญาธมมากายเยกายานุปัสสีวิหาราติ เห็นทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปพอคร่องแคล่วแล้วเนี่ยจับรูปิญญาบทใหญ่ก็ดียาบทย่อยก็ดีต่อไปก็เห็นทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของรูปียาบทที่เปลี่ยนไปแกละอาการอาการไปเพราะฉะนั้นให้ดูที่มีอยู่ให้ดูที่ดับที่หมดนี่เราไม่ต้องดูหรอกแต่ว่ารูปนามเนี่ยพอสุดท้ายแล้วก็จะเห็นทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปความดับนั้นไปเห็นตรงวิปัสสนาปัญญาเกิด ไม่ใช่เห็นตรงเราขยับตัวนิดหนึ่งดับขยับตัวหน่อยดับไม่ใช่อย่างนั้นแต่ขยับตัวนิดเนี่ยไม่ใช่ดูดับให้ดูที่ขยับดูรูปที่เคลื่อนดูรูปที่เคลื่อนน่จะเห็นสังขารไทุกแล้วก็จะเห็นความเกิดขึ้นระดับไปของรูปนั่นก็เข้าในทุกขลักษณะพอเห็นความเกิดขึ้นระดับไปเนี่ยแก้ไขอะไรไม่ได้เขาสภาพเขาเป็นไปอย่างนี้แล้วไม่ใช่เห็นคนละอาการ เห็นความเกิดขึ้นระดับไปเนี่ยเห็นในอาการเดียวกันไม่ต้องเคลื่อนไหวละ่ะนั่งอยู่ก็รู้ในอาการท่าทางที่หนังเห็นทั้งความเกิดขึ้นและความดับไปถ้าปัญญาละเอียดเขาก็เห็นในขณะที่ตั้งกายไว้ในอาการอย่างไรก็ เ, เห็นทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของรูปกายที่มันเกิดขึ้นระดับไปในอาการนัน้นเห็นในอารมณ์เดียวกันไม่ใช่เห็นเปนลี่ยนอารมณ์ปก็จึงเบื่อหน่ายในสังขารก็เห็นว่าสังขารเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงเบื่อหน่ายในสังขาร เนี่ยนิพพทาวิราคะก็จึงเกิดขึ้นได้นี่เป็นไวยะที่ท่านให้พิจรณากายดูรูปกายเพราะฉะนั้นไปเปลี่ยนไปดูเวทนาไม่ได้ดูเวทดูกายในเวทนาไม่ได้ดูเวทกายในจิตไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงห้าวไม่ให้ไม่ให้ย้ายฐานที่ตั้งย้ายฐานถ้าย้ายฐานแล้วก็เหมือนเราอ่านหนังสือหลายเล่มอ่านไม่จบสักเล่มหนึอ่านไปหลายเล่มแล้วไม่จบเพราะฉะนั้นการปฏิบัติท่านจึงกําหนดว่า ต้องปฏิบัติตามหลักคำสอนในสติปัฏฐานนะแค่นี้ส่วนมากในสติปัฏฐานเนี่ยเราไม่ได้ดูกันให้ตลอดดูไม่จบแค่เพียงว่าเอาเริ่มต้นแค่นั้นแหละแล้วไปคิดเอาเองจับเอาเองก็เลยผิดไม่ตรงตามหลักคำสอนในพุทธศาสนาแล้วก็จับจับยากทำความเข้าใจยากติดตามรู้ทุกขเวทนาสังขาร ท, ทุกขทุกขสภาวะหรือทุกขทุกขลักษณะ จนกระทั่งถึงทุกขสัจจะวิปัสนาเกิดจงเห็นทุกขลักษณะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาเป็นไตรลักษณ์ทุคลักษณะนี้ก็คือไตรลักษณ์หนึ่งในไตรลักษณ์นี่การเห็นทุกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามดูกายเรื่อยไปท่านถึบอกว่ากายเยกายานุปัสสีวิหารตินี่เป็นอุเทศเป็นแม่บทที่เราจะต้องพิจารณารูปยียดียาบทยืนเดินนั่งนอนนี้ แต่ไม่ใช่ไอตัวอิริยาบทนี่เป็นตัวปฏิบัตินะตัวอิริยาบทนี่เขามีอยู่แล้วเราไม่ต้องไปปฏิบัติตัวปฏิบัติอยู่ที่สติสัมปชัญญะอยู่ที่ตัวระลึกรู้ตัวปฏิบัติอยู่ที่ตัวระลึกรู้เราระลึกรู้ในอาการในอิริยาบทต่างๆเรานะั้นนี่ก็ที่เห็นว่าให้ดูทุกให้รู้ทุกเนี่ยรู้ทุกเนี่ยทุกเขามีให้รู้ตั้งแต่ทุกเวทนา หังคาถาทุกหรือสภาวะทุกทุกลักษณะทุกขัสัจจะแต่รวมแล้วเนี่ยเราจะดูทุกขเวทนาก็เป็นส่วนของทุกขัสัจจะเห็นทุกในียาบทย่อยก็เป็นส่วนของทุกขัสัจจะเห็นทั้งอิริยาบทย่อยเป็นียาบทใหญ่ียาบท ย, ย่อ ย, ทยอยเป็นทุกก็เป็นทุกขัสัจจะเห็นอาการเป็นไปความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของอิรียาบทใหญ่ียาบทย่อยก็เป็นทุกขัสัจจะเป็นทุกขัสัจจะแม่นาม ดูนามดูเวทนาเนี่ยเวทนาก็เป็นตัวสภาวะทุกข์ดูแนละดูดูทุกข์ว่าว่ารูปก็ดีนามก็ดีเนี่ยเป็นทุกข์เป็นทุกขสภาวะเขาอยู่ไม่ได้แล้วตั้งมันไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไปนี่คือท่านให้ปฏิบัติตามในยากของสติปัฏฐานเพราะสติปัฏฐานเนี่ยเป็นหนทางเดียวแหละที่จะทําให้หมดจดจากกิเลสและทําให้พ้นจากวัฏฏทุกข์ได้ เพรัสติปัฏฐานคืออะไรคือสติด้วยที่ตั้งของสติด้วยก็มีทั้งอารมณ์ที่เป็นฐานที่ตั้งของสติและมีทั้งสติเป็นตัวกําหนดรู้อารมณ์ตัวเพ่งอารมณ์ต้องอยู่ด้วยกันต้องมีทั้งอารมณ์ที่ตัวเราที่ที่รูปรูปนามของเราเป็นตัวฐานที่ตั้งและสตินั่นก็ทํางานในการเพ่งอารมณ์เพราะฉะนั้นรูปยียรยาบทของเราเนี่ย เราไม่ต้องทำอะไรเขาขึ้นมาเ้ามีปรากฏอยู่ตามปกติเดินยืนนั่งนอนนี่เรามีปรากฏอยู่ตามปกติเท่า น, นั้นเขามีอยู่แล้วแต่ว่าปัวตัวปฏิบัติยังไม่เกิดตัวปฏิบัติยังไม่เกิดการนี้จะทำการปฏิบัติแต่ปฏิบัติปฏิบัติทำในพระศาสนาเนี่ยทำอะไรจะต้องทำอะไรก็ทำสติ ทำสติระลึกอยู่ในอาการท่าทางของรูปที่มีอยู่เมื่อตั้งกายไว้ในอาการอย่างไรเนี่ยก็ให้รู้ความเป็นไปของรูปกายที่ตั้งอีู่ในอาการานะเพราะนั้นไอ้ตัวดูตัวรู้เนี่ยเป็นตัวปฏิบัติตัวปฏิบัติเพราะนั้นตัวปฏิบัติก็ระลึกรู้ไปในอาการท่าทางที่นั่งรู้อาการท่าทางที่นั่งระลึกรู้อาการท่าทางที่นั่งอาการของใครของรูปรูปอะไรรูปนั่งตรงไหน อาการของรูปนั่งอยู่ตรงไหนนี่เราต้องรูอยู่ตรงอาการท่าทางทั้งหมดตั้งกายไว้ในอาการอย่างไรก็รู้ความเป็นไปของรูปกายที่ตั้งอยู่ในอาการอย่างนั้นแล้วเราก็ใช้สติระลึกรู้ไปตามอาการท่าทางที่นั่งอยู่กายตั้งแล้วปัญญาสัมปชัญญะก็ตามสติไปอาการท่าทางที่นั่งนี่เป็นอาการของรูปนั่งพอสติสัมปชัญญะจับรูปถูกรูปนั่งปุ๊บเรารู้สึก รู้สึกเนี่ยสติสัมผััญญาจดสภาวะแล้วสภาวะรับรองก็รู้สึกรู้สึกเหมือนเราหาหาของในห้องมืดไม่มีไฟไฟฟาดับแล้วก็คลําลำคลำพอถูกพบก็รู้สึกอันนี่ก็เหมือนกันปัญญาเราไม่พอโมหะอาวิชชาก็ปกปิดไว้พอเราสติระลึกไปเอาปัญญาตามรู้ตามอ่านไปถูกรูปนั่งไปเราไม่ได้ดูด้วยตาเนี่ยดูด้วยปัญญาดูด้วยตาปัญญาปัญญาคือ เกิดจากใจเอาใจระลึกรูปประลึกรูปไปในอาการท่าทางที่นั่งรู้สึกในอาการท่าทางทนั้นถูกรูปนามเพราะว่ารูปนามนั้นที่ท่านบอกลึกซึ้งรู้ได้อย่างเหมือนของอยู่ในความมืดต้องทําลายความมืดซะก่อนทําลายอาวิชชาซะก่อนแล้วถึงจะไปรู้ถูกสิ่งนั้นความมืดก็คือโมหะอาวิชชาปัญญาก็คือแสงสว่างที่ท่านเปรียบว่าปัญญาโลกัสมิประโชโตปัญญาเป็นแสงสว่าง เพราะนั้นเมื่อไหร่ปัญญามันย่างไปจดสภาวะของรูปก็รู้สึกเพราะฉะนั้นในการกําหนดอารมณ์ในการปฏิบัตินีต้องสังเกตตัวปฏิบัติตัวปฏิบัติว่าดูรูปถูกรูปไหมถ้าดูรูปถูกรูปเนี่ยสติสัมปชัญญะเขาย่างไปจับสภาวะของรูปที่กําลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันขณะต้องรู้รูปที่เป็นปัจจุบันอารมณ์ที่กําลังมีเฉพาะหน้าเช่นกําลังเดินนกําลังก้าวเดิน สติสัมชัญย์ก็ระลึกไปในอาการท่าทางของรูปที่เก้าเราระลึกตามอาการท่าทางที่เก้ารู้สึกก็รู้สึกแมอาการท่าทางที่เก้าเก้าไปทีก็รู้สึกเก้าไปทีก็รู้สึกดีทําไมรู้สึกล่ะรูปเขารับรองรูปเขาเป็นฐานเป็นปัจฐานสติสัมชัญยญ์เป็นตัวตั้งอยู่ที่ฐานนั้นสติ ป, ปัจฐานนีการงานของสติ ป, ปัจฐานก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ที่ฐานของรูป การที่เก้าไปนี่ก็รู้สึกเก้าไปก็ ร, กรู้สึกรู้สึกที่รูปเก้ารูปเดินนี่จับความรู้สึกในรูปเดินได้ผลจากการรู้ถูกเนี่ยบอกว่าอานิสงส์ของเขาเนี่ยกําจัดความยินดียินร้ายความยินดียินร้ายความสบายหรือความไม่สบายยังไม่สนใจเกิดขึ้นไม่ได้เพราะขณะเนี่ยกำลังสติปัญญากําลังจับความรู้สึกในรูปที่เก้าไปในรูปที่เก้า ก้าวไปจับความรู้สึกในรูปที่เดินไปสังเกตความรู้สึกอยู่กับรูปเดินไปรูปเดินไปสักพักหนึ่งรูปเดินบอกละชักลาเมื่อยลาลแล้วไม่โกรธแล้วไม่โกรธหรอกถึงแม้ทุกข์จะเกิดขึ้นเราก็ไม่โกรธเพราะความจริงเขาบอกแรงเนี่ยปัญญาเขารับรองความจรงิงพอนี่รูปเดินเป็นทุกข์แล้วไม่โกรธไอความยินร้ายนยขณะนั้นไม่มี แลโยนิโสมนสิการเปลี่ยนอิรยาบดจากรูปเดินหยุดยืนพอรูปยืนมีปรากฏปุ๊บเราไม่ต้องไปดูความดับของรูปเดินพอรูปยืนปรากฏปุ๊บก็สติก็จับรูปยืนได้กําจัดความยินดียินร้ายออกรูปยืนเป็นอิรยาบดใหม่ความพอใจในอิรยาบดใหม่ว่าสบายไม่มีเพราะว่าสติสัมชัญญะเขาทํางานอยู่ ตัวสติสัมปชัญญะเนี่ยจับสภาวะของรูปจืนได้ก็กันไม่ให้อภิชาและโทมนัสเกิด น, นี่เป็นอานิสงค์ของสติปัฏฐานเพราะนั้นเวลาปฏิบัติเนี่ยถ้าเราจับความรู้สึกตัวได้ในปัจจุบันอารมณ์สังเกตอานิสงค์ของครับใ้ความพอใจไม่พอใจมันไม่มีเลยในขณะนั้นมันจะจับสภาวะของรูปเดินรูปยืนรูปนั่งรูปนอนได้โดยไม่ได้แสดงความรู้สึกให้ปรากฏความยินดียินร้ายอย่างต่อการใด แม่นั่งไปนานๆทนนุกเกิดขึ้นมาเราก็ไม่เดืนเนอดร้อนใจความจริงเขาบอกอย่างนั้นสติปัญญายอมรับรู้ว่าความจริงเขาเป็นไปอย่างนั้นเมื่อรูปนั่งนั่งอยู่นานถูกบีบขั้นนานเขา้าทุกมันก็จากรูปนั่งเขาปรากฏนี่เราก็รู้ตรงตามความเป็นจริงเพราะนั้นสติปัฏฐานนี่แหละจึงเป็นอย่างเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บอกว่าเอกายโนอายังพิกเวมัคโคสัตตานังวิสุตติยาบอกเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะให้จิตเราบริสุทธิ์ได้เพราะมันกันความยินดียินร้ายได้แล้วก็ไปทำลายเอาวิชาคือโมหะเข้าไปรู้ความจริงของรูปของนาวด้วยปัญญาเพ mm hmm. ราะฉะนั้นพอรู้รูปไปครั้งหนึ่งให้ความเห็นผิดว่าเป็นเรามันออกความเห็นผิดมันออกเพราะนั้นการรู้รูปถูกรูปเนี่ยอานิสงส์ก็ต้องมีการดูการปฏิบัติเหมือนกัน การปฏิบัติเหมือนกันเรื่องที่เขาบอกว่าดูครั้งหนึ่งมันหมดไปทีครั้งหนึ่งดูครั้งหนึ่งหมดไปทีครั้งถามมาดูอย่างนั้นมันมีอานิสงส์อย่างไงไม่มีอานิสงส์อะไรดูทีมันหมดไปทีดูทีมหมดไปทีแล้วเราได้อานิสงส์อะไรแยกตัวตนคนสัตว์เราเขาก็ไม่ออกแยกเราก็ไม่ออกเพราะดูไม่ถูกมันก็ไม่สามารถที่จะถ่ถอนกิเลสได้ในความละเอียดของการเจริญสติปัฏฐาน ถ้าเราดูไม่ละเอียดดูไม่ให้รู้ซึ่งถึงถูกสภาวะจริงๆแล้วล่ะครับมันไม่มีผลไม่มีอนิสองส์อะไรที่จะกำจัดอธิชาและโทมนันที่จะถอนส ก, กายอทิตยที่ออกไม่มีผลมันก็เป็นอะไรเป็นอารมณ์ของใครละ่ะของสมาธิไปอย่างกำหนดพองกำหนดยุบก็เหมือนกันถามว่าไปแยกแยกสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาออกได้ไหมไปทาลายส ก, กายทิตยออกได้ไหมไม่ได้เพราะอะไร พราะมันไปถือเอาอนุพยัญชนะไปถือเอาเราตั้งแต่เริ่มต้นน่ะเราที่ไหนล่ะที่ท้องท้องของเราหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบห้ใจเข้าท้องพองห้ใจออกต้องยุบมันไม่ได้ไถ่ถอนตัวตนคนสัตว์เราเขาออกไปแต่ว่ามันก็มีประโยชน์มีประโยชน์ยังไงทำให้สมาธิเกิดสมาธิเกิดไห้ท้องพองท้องยุบเนี่ยเขาก็มาจากอนาปานสตินั่นแหละ แต่พระพุทธเจ้าให้อะตั้งกาหนดที่ลมกระทบที่ปลายจมูกอาจารย์ภายหลังมาตั้งขึ้นใหม่เอาตรงปลายลมเถอะพอปลายลมหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบรูปมันเคลื่อนไหวดูได้ง่ายกว่าลมมันมองไม่เห็นก็มาดูที่ท้องหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบมาดูที่ท้องเถอะเพราะฉะนั้นการจเจริญท้องพองท้องยุบเนี่ยเจริญอานาปานาสตินั่นเองแต่ว่าเอาตอนปลายลมไม่ได้เอาตรงต้นลม เพราะนั่นท่องพองทองยุบนี่อ่ะยุบหนอพอง น, อน้อนี่ที่ทำกันอย่างดกดืนทั่วประเทศเพราะว่าพม่าเขามีพ ม, ม่าทำวัดที่ท่านอุนุท่านสนับสนุนอยู่มีพระแยะแล้วก็ท่านเจ้าคุณพระพิมลธรรมก็ส่งเจ้าคุณโชดกไปดูไปดูงานไปดูงา น, นพระที่ลานวัดบอกว่าห้าหกร้อยรูปเต็มเลย ฝนตกพรำๆร้าร้องอยังไงก็อนร่างตากฝนะกําหนดเวลานั่งกี่ชั่วโมงชั่วโมงเป็นไข้หวัดก็มีจามกันฟิดฟัดฟิดฟัดกัไปดูท้องพองท่องยุบต้องมีความเพียรแม้หนังจะเดือดเลือดจะแห้งยังไงต้องมีความเพียรความเพียรอย่างนี้ไม่ได้เป็นความเพียรด้วยปัญญาเป็นความเพียรที่จะอดทนต่อความยากลําบากปัญญาไม่เกิด เราไม่เด็ดไปรู้ว่าเป็นรูปอะไรเป็นนามอะไรไปรู้แค่พองแค่ยุบทาให้จิตสงบจิตสงบได้จิตสงบได้ไดนี่การงานอะไรล่ะที่ทำให้จิตสงบได้ปัญญาหรือสมาธิสมาธิทำสมาธิสรุปแล้วที่ทำนั้นก็คือทำสมาธิแต่ว่าบางท่านก็บอกว่าต้องทำอย่างนี้ก่อนแล้วถึงถ้าสมาธิไม่มีจะทำวิปัสสนาอย่างไง จริงๆแล้วสมาธิเนี่ยเขามีทุกขณะจิตเพราะสมาธินั้นเป็นสัพพะจิตตสาธารณะเจตสิกเอกคตาผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตานตัวสมาธิชีวิตินทรีมณสิกันเขาประกอบกับจิตทุกขณะอยู่แล้วไม่จงกลัวไม่มีเขามีประกอบทุกขณะอยู่แล้ว แต่ถ้าสมาธินั้นเขาจึงมีระดับถ้าสมาธิตามปกติธรรมดาก็เป็นขณนิกาสมาธิสมาธินี้เกิดในอกุศลก็ได้เกิดในกุศลก็ได้เกิดในอัพยคตาก็ได้เพราะเขาประกอบกับจิตทั่วไปเขาเกิดในขณนิกาสมาธิคนเราสนธนากันพูดเกี่ยวพาราสรีกันหรือด่าทอบริพาทกันก็มีสมาธิอยู่ทุกขณะสมาธิก็เกิดเป็นขณะขั้ สมาธิก็ เ, เกิดได้แม้ปัญญาแม้ปัญญาก็จิตเราเป็นกุศลเนี่ยจะทำบุญให้ทานรักษาศีลเนี่ยก็มีสมาธิเกิดสมาธิเขาเกิดทุกขนาดจิตไม่ไว่าจะเป็นมิจฉาสมาธิสมาชัมสมาสมาธิแต่ว่าการปฏิบัตินี่ครัท่านจึงไม่ได้เรียกร้องให้ทำสมาธิเลย ท่านบอกว่าอิทาพิกเวพิกขุกาเยกายานุปสีวิหรติอาตาปีสัมปชาโนสติมาอาตาปีก็วิริยะสัมปชาโนก็คือปัญญาสติมาก็คือตัวสติตัวทํางานเริ่มต้นสามตัวสติปัญญาและความเพียรไม่ได้เอาสมาธิแต่นั่นแหละมีสมาธิเป็นขณะขณะไม่ต้องห่วเพราะนั่นการเจริญสติปัฏฐานนี่ ไม่ต้องไปทําสมาธิก่อนนี่สมาธิที่เขาทากันก่อนเนี่ยชาวพาะคนที่เคยทําสมาธิแล้วได้ฌานแล้วพระพุทธเจ้าสงเคราะห์แก่พวกฌานราภีบุคคลเพื่อเธอทำฌานเพื่ให้ได้ฌานเลยให้เข้าถึงฌานแล้วต้องไปอบรมฌานให้คล่องแคล่วเป็นวัต ส, สีทั้งอวัชนาวัต ส, สีสมาปัจชนาวัต ส, สี อธิษฐานวสีวุธานาวสีปัจเวกขณะวสีต้องเข้าฌานออกฌานคล่องแคล่วพอเข้าฌานอยู่ในฌานออกจากฌานแล้วเนี่ยเอาองค์ฌานเอาวิตกวิจารปีติสุขเอกขตาเนี่ยเอามากําหนดพิจรารณานแต่โดยมากเนี่ยเทวดาท่านกายเบาไปไหนก็ลอยไปไ ป, ไปทำอากาศาลอยไปได้ทุกเวทนาไม่ต้องมาเดินยืนนั่งนอนไม่ต้อง ทานอาหารเป็นคำๆอย่างที่เราทานกันเราเรียกท่านรับประทานสุธาโภชิ์ดูดเอารสอาหารเท่า น, นั้นเองให้ซึมซาบไปเลี้ยงร่างกายของเราทั้งกากทั้งโอชาเนี่ยทั้งกากทั้งเอ็งสุธาโพชิ์อะไรเนี่ยเอารวมกันไปหมดแล้วไปเอาเก็บเอาสุธาโพชิ์เอาโอชาเข้าไปเนี่ยกรรมก็จัดแจงปัสกกาศติโชชาเก็จัดแจงกลั่นเอาให้รูปอาหารที่ที่ อาจจะเอาคุณภาพไปเลี้ยงร่างกายเอารูปอาหารละเอียดส่วนรูปหยาบก็ถ่ายทิง้งไปนี่ของเราต้องมีทั้งหยาบทั้งละเอียดของเทวดานั้นมีรูปอาหารที่ละเอียดเพราะนั้นท่านไม่เคยมีทุกข์จากการเคี่ยวกันท้องเสียปวดท้องท้องเดินนะอะไรไม่ไ ม, ไม่ไม่มีเรื่องต่างๆแเหล่านี้ทุกข์จากรูปกายมีน้อยกว่าเพราะนั้นอารมณ์ที่จะปรากฏขึ้นได้ก็ดูเวทนานี้ได้ เชดียวกับพวกชำชานําทานาก็ข่มไว้พวกกิเลสนิวรณ์เอาไว้เนี่ยในการมาตัณหาในรูปเสียงเสียงลดผลสะพานลงมันเบาบางลงไปแล้วเนี่ยท่านก็ไปดูเวทนาดูเวทนาในศัสนาสติปัฏฐานเพราะนั้นท่านจึงตั้งสติปัฏฐานไว้เพื่อให้เหมาะสมกับจริตและเพื่อหเหมาะสมแก่บุคคลอย่างพวกพรหมนี่จะมาดูเจริญสติปัฏฐานนี่ก็ไม่ต้องมาดูอิริยาบถละ่ะพวกพรหมเนี่ยท่านก็เอา เอาเอาเวทนามากําหนดรูก็ได้นะหรือท่านจะเอาพวกนามจิตอ่าจิตเป็นมหัคตาจิตเป็นกามาวจรจิตเป็นมหัคตาก็ได้จิตเป็นสมาธิหรือไม่มีสมาธิก็ได้ตัพวพรหมนี่ท่านอยู่กับสมาธิแล้วแต่กับคล่องว่าสมาธินั้นหมายถึงอัปนาสมาธินะหรืออุปจารสมาธิแต่คณิกาสมาธินี่ก็ถือว่าไม่มีสมาธิแต่ของเราเนี่ยขณิกาสมาธิ ก็มีเป็นขนาดขนาดอันนี้ก็ในการเจริญวิปัสสนานี้ก็ต้องมีสมาธิเป็นขนาดขนาดเหตุนั่นแหละท่านจึงจัดองค์มรรคทั้งแปดประการจัดสมาธิไว้สุดท้ายสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิเอาไว้สุดท้ายเพราะเขาตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียวกันกับปัญญาตั้งอยู่ที่ รูปนามแล้ไปแจ้งพระนิพพานเพราะเห็นความเปลี่ยนแปลงของรูปนามด้วยแต่ต้องสมาธิก็เป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้ปัญญาเกิดอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันนทิ้งเขาไม่ได้เหมือนกันสมาธิเขาก็มีประโยชน์แต่ว่าต้องการสมาธิเพียงแค่ฌานิกะสมาธิแต่ขณะที่แจ้งพระนิพพานนั่นแหะเป็นอัปปนาสมาธิ้วยนี่ก็เป็นสภาพอันหนึ่งที่โดยตัวปฏิบัตินี่ก็อยู่ที่องค์มรร แต่ในเบื้องต้นนั้นมีสติตั้งสติลงไปก่อนปัญญาตามอ่านและมีความเพียรให้สติปัญญาตามแล้วลึรู้รูปบ่อยๆรู้รูปหนึ่งหนึนี่ตัวปฏิบัติคือทํำองค์มรรคมาให้เกิดขึ้นแต่ว่ายังไม่ครบแปดเราก็เพียรทําให้เกิดขึ้นหนึ่งหนึ่งนั่นเองก็ขอสมควรสําหรับชาววันนี้นะครับ